Night of Radio Format โดยวิทยาแสงอรุณพี่ 3 แล้วนะครับเอ่อกับรายการ Bangkok Radio Format ก็อยู่ครบๆอยู่ครับอืมเล่าแล้วฟูใช่คํา สองคนนี้เนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปคุณ 3 วัน 3 คืนแล้วก็ได้เจอน้องคน 2 คนนะครับเดี๋ยวอ่ะคุณ ครับผมอ่าตอนนี้ถึงท่อนที่ว่าอ่าเมาไม่ครับผมแล้วต่อครับเราครับบรรยากาศ คุยกันคุยนู่นคุยนี่จนจนบางจนแล้วก็ห้ามใจเราไม่ได้ครับเราก็นั่งกอดเค้านั่งจูบเค้าอะไรโหครับผม แล้วก็จะนะครับแล้วก็มันมีมีแล้วเค้าก็บอกผมว่าอือครับแล้วผม ครับผมก็บอกว่าเอ่อผมก็ตอบขออภัยว่าเอ่อผมไม่เออความไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดี๋ยวคุณสิ ก็ไม่ครับผมจําไม่ได้นั่งนับอะไรอ่ะคุณครับ IBM ลึกฟรีเฟลหมดแล้วเออเอ่อมาการตรวจก็เออตัดให้คะแนนไปแล้วเกิดเกิดอะไรครับหลังจาก เหมือนเอออยากได้เขาสังหวัดเออว่าจริงๆนะอรชอบเขาจริงๆอะไรกันเนาะนั่งกอดขาวอือครับผมแล้วก็ก็อ๋อแล้วกอดกันไปนานประมาณเท่าไหร่แล้วครับอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะประมาณอ่ะครับเกือบๆชั่วโมงนู้นนานมากนานมากนี่หมายเกิดขึ้นนอกผมไม่เสร็จ เออเหตุผลเป็นเพราะเดี๋ยวๆๆคําใช่เค้าไม่เสร็จพี่เพราะว่าอ๋อเป็นเพราะแล้ว เนาะเดี๋ยวมันมันยังไม่จบครับมันยังไม่จบเราต่อๆๆๆเอาที่ที่ห้องผักเออแล้วต่อไปก็คืนที่ ก็พาเค้ากลับเข้ามาในโรงอีกครั้งอ่าก็มาเอ่อมากินกันเมานี่ผม 1 2 3 4 5 ก็อืมครับ เอ๊ะงงพี่ทีชิ่ง oh, oh, wow, how, how many how many times how many ไอ้เดียวจบครับอ๋อเมานะเมาบ้าก็มันเหนื่อยอ่ะพอจะอืมจริงฮะๆขำๆพอจะได้แบบโอเคหัวเออดึกๆ1 เช้าอีก 1 เย็นนั้นไปที่ภูเก็ตไปแสดงต่อครับการแสดงผม ก็พอเค้ากลับมาเค้าก็โทรมาอะไรก็อยู่ผมก็เออ Facebook ไปนะรับด้วยนะอะไรอย่าง ของเขาผมก็ดูแล้วแหละคงจะมีแฟนอะไรเขาโพสต์อะไรต่ออะไรอยู่ในทางบอกผมก็บอกคิมเมทก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรนะก็ทําเป็นครับผมก็อบครบครบบอก ผมก็ถึงอ่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรแต่มันมีความรู้สึกดีๆเออแล้วก็คุยเป็นเพื่อนกันครับนะผมนี่ผมชอบคนแล้วครับอาทิตย์นึงแล้วครับก็ซา ก็ผมไม่พอพอพอเขาพูดว่าเค้ามี แต่ก็อืมเพราะว่าเพราะว่าใช่มั้ยครับเค้าทํางานไปอืมนะครับ คุณก็ไปไหนก็เจอผู้คนเยอะแยะอะไรงี้แต่ตอนแรกกับผมพูดกับเขาว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเจอคนๆแล้วผมผม แต่อยู่กันคืนแรกคืออันใช่คืนแรก ไม่แค่เขียนไว้หลายๆกับเมื่อกี้เล่าเราฟังหมดใช่ก็นะเป็นเรคคอร์ดของคุณตอนนั้นเนี่ยเรารู้ถึงเค้าทูจังหวัดอืม แต่แล้วยังไงกันไป 1 นะใช่คือคืนที่มีอะไรอืมก็นี้ฟ้าแรงให้ให้ให้ได้เจอกันเออแต่ก็ได้ถือว่ามีพัฒนาการถือ โตเล่าให้เราฟังทางน้ําเออเออนะต้องนับที่บ้านหรอครับว้ายคนเราที่บ้านอยู่ แต่เฉพาะเจโนเรื่องอิจฉาเรื่องอะไรกันเรื่องเธอ เขาเขาอยู่แบงค์คือเจอเค้านานแค่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนนึงเดือนก็อย่าจะมันอยู่ได้แค่เออแล้วก็ก็แชทอยู่นานแค่ 1 เดือนเดี๋ยวๆเราต้องถามว่าไงก็จะมี ใครขอเบอร์ไม่เห็นการเหตุการณ์เอาเหตุการณ์เอาเหตุการณ์เดี๋ยวเราเจอเขาไม่ไม่เป็นดิใช่ละเอียดบ้างดิเค้าจะบ้านรู้หมดเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงเผื่อคนอ่าธนาคารแห่งนึงแล้วแล้ว การเทรดกันเออเออแล้วก็ไปทําธุรกรรมทางการเงินเสร็จ ยังไม่คิดสิยังไม่คิดไม่ไม่สิแต่ได้ได้ นึกว่าไม่ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดเลยตอนๆๆกลายเป็นโอนผิดคนไปเออได้เดี๋ยวละได้ผิดซวยกว่าเออแล้วยังไงต่ออ่าบอก ที่ทําไปเมื่อกี้มีอะไรเออครับเค้าโทรเข้ามาแล้วอ๋อ ใช่ๆไม่รู้อ๋อแล้วยังไงอ่ะแล้วยังก็ยังอุตส่าห์เอออ่ะแล้วยังไงต่อเออก็ยังตอนก็น่าจะแกเลยใช ผู้หญิงวัยจะ 3 แล้วนะอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องโตดต้องโตดนิดนึงคือตอนมีเยอะใช่มั้ยก็เลย เออแล้วก็ตําล็อกเดออืมอ๋อแล้วก็ตําแตงใช่มั้ยโอ้ใช่เพราะว่าแต่เมื่อถึงจะผู้ ครับได้ยาอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วจบแล้วชวนเค้าเข้าเออเออบ้าน 2 วันเออเว้นไว้ 2 วันมาที่ศาลาบ้านเออก็เจอกัน 3 ครั้งไม่ต้องไปบอกเค้าไปเลยๆไงอ่ะ ก็ก็จะไปเฝ้าอะไรอย่าง 2 ก็คือโตเนี่ยมีเป็นห้องพัก 6 เดือนแต่ว่า เราเห็นว่าเห็นว่าเออใช่ก็ไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะเจ้าของมาอยู่ 6 เดือนก็เพิ่ง อือตายแล้วก็ทางบ้านว่ายังไงครับคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นน้อง อ๋อนี่เค้ามีการปลูกพื้นไว้แล้วใช่พอเข้ามาก็อ๋อแล้วปกติน้องที่ทํางานเออห้องเดียวอืมใช่คือ อ่ะบอกพ่อแม่ว่าไล่ไม่กลับเราบอกว่าน้องอยู่ไกลน้องอยู่ศรีนครินทร์อ๋อเออแล้วทํางานอยู่บางกวยไงคุยไม่ค่อยเจอนะพอกลับใช่มั้ย ที่ออฟฟิศไปเฝ้าเธอไม่งั้นอีเวนต์ตามที่นู่นที่นี่ก็ไป 30 แล้วไม่ นานเอ่อถูกต้องอย่างมากสุดก็ 7 วันอ๋อด้วยแล้วก็ไม่มีสุดใช่เค้าเป็นคนติดนิดนึงเออแล้วเค้าดูมีโลก คือว่าเค้าอยู่ไกลใช่มั้ยแบบพอเราไปทํางานเค้าก็จะมาเฝ้าเราก็จะเลิกก็ 1:00 น. 2:00 น. อือแล้วให้เค้ากลับบ้านมันก็จะไกลอยู่แล้วคุณจะ มีอะไรทุกวันมั้ยบ้าบ้าครั้งแรกครั้งแรกใช่มั้ยเออครั้งแรกแล้วก็เดือนนึงเออเรามีงานทุกวันเลยแล้วก็อะไรนะ เป็นยังไงเช็คก็ต้องโอ้โหอาทิตย์วันเว้นวันเออๆอ๋อมีเป็นเค้าเป็นในอ๋อครับอ๋อเหรอ ขวยๆเราก็ไม่ถามอะไรเยอะไงอืมก็ไงกับบอกเวลาเสร็จเรื่องอย่าดีๆๆแล้วขอให้แบบรักษาความรู้สึกอย่างนี้ไว้นานๆคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเออ ปกติ 7 วันเออเก็บไว้นานเลยกลับไปเข้าไปใช่คือคือปัญหาเออเขาจะดูเวลาประเวศเป็นใช่เพราะว่าปกติแบบตี 1 ตี 2 ใช่ป่ะเขา 2 ปุ๊บเขา 7 วันติดกันอย่างเงี้ยเค้านอน 4-5 ชั่วโมงพอก็เป่าอือดูดิพาเค้ามาลําบากเลยแทนเอออยู่ห้องก็อยู่สบายเออขอเสียงหน่อยได้สวัสดีครับคุณอะไรครับได้ๆอุ้ยเกินนะขลุกๆๆ จำได้ครับเจ๊คน Bangkok Radio Formal รู้ครับเคยฟังรายการนี้มา 3-4 เดือนที่ i Radio หรือ FM 102 102 ครับ 102 อ้าวนี่ก็เป็นแฟนอ๋อแฟนคลับไม่ทราบว่าทําไมเออบอกตั้งถามอ๋อก็คือคุณบอยบอมบอมที่เค้าชอบอีดี้เพราะ อ่ะตอบอยากตอบไปหรือชอบตอบถามว่าอะไรนะฮะขออีกทีนึงชอบทําไมถึงชอบโต๋อ่ะดีๆๆเอออีโต๋ชักอยากๆๆอืม มันมันบอกไม่ได้อ่ะครับแต่ว่าถ้าเห็นเราปุ๊บเราก็จะรู้ไงว่าไอ้เนี่ยใช่อ่าว่าเนี่ยใช่กว่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะอืมไม่ในในพอ ใช่ๆครับครั้งแรกแล้วแล้วเคยนึกนึกคิดมั้ยว่าถ้าเกิดเค้าปฏิเสธอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะ ไม่ได้เป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนกันอืออ้าวแล้วถามอีกนิดนึงตรงที่ไปเฝ้าเค้าประจําเลยทั่วงานอีเวนต์มันว่าเออไม่แน่นอนไม่แน่นอนไปเพราะอะไรอืมมันก็อยากอยากอยู่ไปด้วย ใช่ฮะเอ่อสวีทมากเลยหลายคนตอนนี้ที่อยู่ในเอ่อเอ่อ MSN เอออายเออกําลังมีความรักด้วยอันนั้นน่ะคือสําคัญแต่ถ้าเกิดเธอไป แล้วแล้วเออเป็นเป็นเป็นคนที่ทํางานที่แบงค์เจอเธอแล้วเจอแล้วแบบโทรมาแบบเนี่ยเธอ เธอจะแก้ตัวกระเทนนี้ยังอืมก็เปิดเผยไปเลยมั้ยเอาคําตอบคือไม่นะฉันรู้เธอเธอโอเคอ่ะแต่ว่าบักทีเนี่ยเราเราเราไม่รู้ว่าจะ อืมๆเข้าใจละก็คงคําแบบไม่รู้ไม่ซีอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปใช่มั้ยเป็นว่านะฮะเขาไม่เครียดแสดงว่าเอ่อเขาเรียกอะไรสติของเขาเนี่ยวุฒิภาวะของคุณตั้มเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแนวหลายๆหลายๆ ตัวตนเมื่อไม่นานใช่มั้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ่อคบกับผู้หญิงอยู่ใช่มั้ยครับใช่ครับ 24 ครับเพิ่ง 24 โอ้ก็ยังเด็กได้ 24 ไม่ถึงขนาด อ่าเก๋นะพอรู้สึกว่ามีเหมือนกันฉันเคยจริงๆด้วย เออๆแบบดูแล้วน่ารักอ่ะทั้งไงขอบคุณมากเลย ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นเรื่องดีๆเรื่องนึงที่คือตัว โทรศัพท์ตัวใหญ่ยากเลยคือนั่งฟังเออเออใช่เก็บตัวใหญ่ให้ชัดที่สุดเบอร์ 425 4 เรียกไม่ไป คอฟวิทยุฟอร์เมนโดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าและสิ้นปิ้น 2 ดีนี่จ๋าครับพี่รอ 1 ที่ใหม่ครับอันนี้เป็นลาดท้าวอ่ะไปแถวลาดท้าว เพราะว่าเราไปแล้วเค้าที่ไหนอะไรเงี้ยครับเอออะไรไงต่ออืมก็เลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปก็ได้ 2ๆแถวๆบริเวณ ไอ้ครับแต่ไม่ใช่แบบนั้นอืมเค้าก็เลยมานอนข้างห้องริมพอ ก็เลยนึกว่าเออคนในที่แห่งนั้นมันที่เราจะเหมารวมว่าไม่ดีหมดมันไม่ใช่อ่ะอืมแต่หลายมีแล้วคนนึงอาจจะเป็นคนดีเอาอืมไม่คือคือคือคน เอ่อก็ได้นี่ผมบอกนิดนึง แบบลงโทษเอออันนี้แบบเออลงโทษด้วยมาขโมยเงินเราไม่ก็แบบท่องเที่ยวอย่างนี้เค้าก็เลยเป็นไรลงจำนรรก็ไม่มีไม่มีดินดินโทรไปหาเค้าแล้วเค้าก็ไม่รับเลย โดยเฉพาะที่ได้เงินน่ะดิฉันขอเออใช้กับแล้วกันเงินเท่า จะแพงนะอ๋อเค้าจ่ายจริงไม่เป็นไรแล้วราคานี้น่าจะได้ไม่สวรรค์โตครับพี่โน้ตถ้าจ่ายโชค พอเลิกเข้าบ้านปุ๊บคุณก็เก็บก็อยากวางของ เออๆเดี๋ยว uh. เออตอนนั้นก็สัก 3:00 น. และ 3:00 น. แล้วก็เดินมาก็มี เราก็เข้าใจถ้าคนตัวบอดต่างหายใช่มั้ยเราก็โอเค แล้วก็แบบเอ้าทําไมเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยากจะคุยกับพี่อ่ะเพราะเคยมาตรง ตรงนี้มีโรงหนังมีอะไรเงี้ยเขาบอกเออ เออเช้าเอ๊ะชักมาแปลกละเอออะไรยังไงมาอยู่นี่อยากร้องเพลง ตอนแรกเค้าก็บอกว่าเนี่ยในกระเป๋าสตางค์อ๋อคือคือไอ้เงินไม่ 1,000 กว่าบาทนี่คือที่เตียงว่าจะไปชักไม่ไม่ปลอดภัยแล้วสําหรับเออเราจะให้จะให้ใช้ไปที่เงียบพยายามจะเฟดแล้วว่าเออเดี๋ยว ก็บ้านคือก็ลงมาข้างล่างกันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าเออเนี่ยฝั่งๆไปเถอะไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปฉันกําลังจะถึงรถแล้วใช่ป่ะกดเมื่อพี่ๆเอ้าเอ้าฉันก็แล้วขึ้นมาเธอเข้า ชัดแบบเนี่ยผมชอบพี่มากผมชอบพี่มากเลยพี่รู้มั้ยเนี่ยผมเฮ้ยท่านอาจารย์ชิริมียใช่มั้ยเฮ้ยเฮ้ยฉัน กดกลับบ้านเดี๋ยวพี่จะไปหาญาติพี่ได้กลับไปชมกันได้เออฉันก็เลยไปอะไรเงี้ยเออทําหน้าจะเดินกลับไปเสร็จฉันก็กดรถแล้วเค้า ไม่มีแล้วเค้าเปิดประตูอืมแล้วเค้าเปิดประตูโอ้ชนตกใช่ แล้วเชคก็เปิดกระจงนิดนึงว่าเออ 10 ก็ 5 ประมาณ 6 อะไรประมาณ 9 มีท้องใหญ่กว่าฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมีลูก อย่ายังไม่จบคือหลังจากนั้นเสร็จใช่มั้ยฉันก็กลับมาเสร็จเค้าก็ข้ามมาฝั่งเกซอนก็มาเจอร้านขายเย็บกระเป๋าแถวนั้นน่ะนะก็เย็บดีนะมันเย็บกับกระเป๋าใส่บัตรเครดิตก็ซื้อบ่าซื้อบ่าไป 1 เสร็จก็เดินมาอีกก็มาซื้อมันนี่คลิปไอ้ที่หนีบตังค์ ค้ามาฝั่งพะนารายเออมาไว้พะนารายฝั่งออลีเดย์อินคือเสร็จฉันก็จะหยิบก็นึกเอ้า กระเป๋าหนีเบอร์นานที่หายไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกใจแป้วเลยใจละมันเอาไปอ่ะไม่มีไม่อืม กดเบอร์กดเบอร์ผิดค่ะคุณกดเบอร์ผิดฉันก็เอาละกดใหม่อีกทีแคว๊กๆๆๆตกอยู่ แล้วลูกโทรศัพท์ก็ไม่หายก็โอเคก็สบายใจแสดงว่าเค้ามีไปไหว้พระพิฆเนศไม่อร่อยด้วยเออเออไม่รับแบบ เจกอเลือกได้อยู่เธอเลือกจะบอกว่าโอเคฉันให้ 100 นึงจดให้เออตอนแรกมันบอกขอ 100 นึงนะอ้าว 100 นึงแล้วจะจะเออจะไปซื้ออะไรก็ เค้าของเอ็มเจใจดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป็นนางฟ้าจ๊อบเลย เชิญถามไปเออแล้วเนี่ยติดกลับไปจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เท่านะพี่ผมก็จะช่วยได้ส่วนนึงนะแล้วเดี๋ยวไปหาคนอื่นช่วยต่อแล้วกันนะเงินเนี้ย นะเค้าก็จับเค้าจับเลยนะก็จับเงินแบบอีกข้างพี่เอ่อก็ช่วยพี่ให้พี่เนี่ยได้นําเงินเนี้ยถ้าพี่กลับไปบ้านพี่แต่ ถ้าพี่ไม่ได้เอาเงินนี้กลับบ้านขอให้พี่ๆนานาอืมเค้าปล่อยเค้าก็ปล่อยเลยเค้าเค้าเค้าอึ้งไงเค้าแบบคือแล้วแล้วเออๆๆ อ่าก็ถูกต้องนะพี่โหน่เออเออใช่มะ บอลลูนกินกระเจาเค้าอยู่ดีก็เดี๋ยวคงจะเจออีก 2 อาทิตย์ครับกลับมามีสายนึงมั้ยมีสายนึงครับมีสายนึงครับอีกสายนึงยังมีเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับครับจ๊ะเอ๋ใครเลยน้องนนท์ครับผมอ๋อประมาณ 2 อาทิตย์กว่าครับ 2 ก็เสร็จนิดนึงกับเชียงงานยังไม่เรียบร้อยอืมเผื่อครับอ๋อเปิดโรงแรมนิดนึงอยุงดี อ่ะโอเคอ่ะจะคุยประเด็นหน่อยมั้ยคุณนนวันนี้ประเด็นอะไรเอ่ยประเด็นฟ้าไม่เป็นคู่กันแต่น้องก็เพิ่งบอกผมไม่เจอใครเลยใครเลยหรอครับแต่ เออก็เหมือนสบตากันแค่มองก็พี่ว่าไม่มีอะไรเหมือนคนบ้าใช่เออก็ทักนิดนึงก็ อาจิที่แล้วใช่มั้ยใช่น่าฟังถูกมั้ยได้ 2-3 อาทิตย์หลังอ่ะขอบคุณมากนะคุณนอน โคราชก็ไม่เจอใครเลยเสพเปิดคนเดียวก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยว อ๋ออ่ะโอเคกัสโทรเข้ามาจะคุยประเด็นมั้ยครับไม่ทราบประเด็นเลยเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งใครเจอมาเจอใครอะไรอย่าง เมื่อแรกๆนี้หรอเมื่อตอนตัดครับสดคือมันเป็นกิจกรรมที่สั้นๆแค่ 2 วัน 3 2 2> อ, เลย, มา 2 คืนอืมแต่ว่าเหมือนคือเหมือนกับเค้าอ่ะ 2-3 ปีแล้วผม ที่เนี้ยก็ก็คือไปค่ายเดียวกันก็คุยกันไม่กี่คราวแล้วเหมือนเออมันก็คุยถูกคอกันอืมแต่ๆแล้ว ไม่รู้เพราะเค้าเล่นหน้าขึ้นหรือแล้วแต่แต่แบบ 4 เดือนได้อ่ะ 4 เดือนกูก็ 4 เดือนไม่มีศาลซะทีอ่ะเออ 4 เดือนนี่ค่อนข้างเหี่ยว อ่าอันนี้แว้งคนดีก็ นี่แต่จริงๆมันสําคัญสําคัญดีอืมหนูได้ยังไงคนมีก็ดูสัมพันธ์น่ะเป็นคนชอบมีเพศสัมพันธ์เออเออไปกันได้นะน้องวันนี้ 2 ก. ของ 13 ใช่ 3 บ้านเล่นน้ําสีลมซอยไหนฮะซอยจอมแถวนูเดิ้ลอ๋อนูใช่ริบโนนั่นแหละอ๋อๆกันใช่ถ้า 13 ไม่สะดวกก็ 14:00 น. ก็ไปได้กลางคืน 22:00 น. เหรอเอ้ยเหรอแล้วเอ้ยได้ๆๆ Pink Mango ทริปเล็กๆไป 10 กว่าคนอำภาวกี่ใช่มั้ยส่ง SS มาก็ เริ่มได้ไง 222 1935 ขยับไปก็โอเคได้ครับนะครับคุณลูกค้าขอบคุณนะ รักมาแบบจู่โจมจะขึ้นรถๆก็เป็นท่าห่อทุกทุกรถเลยใช่เออก็น่ากลัวนะถ้ามีขา ที่นี่ชีวิตต่างเนาะต่างมากต่าง The Call of Multic Multicristo นะครับแล้วก็ดังเรื่องนี้เล่นเป็นเป็นนัก 3 ที่ผ่านมาก็ ไม่เหงาเหงาที่เถาเขาว่า Red Riding Hood เนี่ยฉันไปดูไงฉันว่าเค้าหล่อนะจะถึงรูปเออนะ มันเป็นเงามาเลยเหมือนเป็นคลาวมันก็เป็น Red Riding Hood มาหล่อๆครับวัน 4 คนทั้งคนนะครับก็ ให้เรามาระวังกันนิดนึงอันดับหนึ่ง 80% เลยพี่จัดการเอ่ออุบัติเหตุของ